ติโลกวิชยราชปฏิธานาคาถาอนุมายังติโลกวิชยราชาปฏิธานาคาทาโยพนามาเซยังเกณฑเจกุสลังกรรมังกุศลกรรมอย่างใดหนึ่งกัตตพังกิริยังมะมมา เป็นเกียรติเสื่อควรฝากไฟกาเยนวาจามนัสาด้วยกายวาจาใจติทัเสสุขตังกตังเราทำแล้วเพื่อไปสวรรค์เยสั ต, ตาสั ญ, ญโนอัทิสัตไดมีสัญญา เยจสัส ต, ตาอัสัญญญิโนหรือหาไม่เป็นอสานกะตังปูญญาพลังไม่ห่างผลบุญฆ่าธรรมนานสพเพพาคีพระวันตุเตทุกทุกสัตว์จงมีส่วนเยตังกตังสุวิธิตังสัตไดรู ก็เป็นอานทินนางปุญญพลังมาาว่าข่าให้แล้วตามควรเยะจะตัดธานชานันติสัตไ ด, ดมีรูวรทวนเทวาคันตวานิเวทะยงขอเทพเจ้าจงเล่าขานสัพเพโลกรรมอิเยสัตา ปวงสัตว์ในโลกีชีวันตาหาระเหตุกามีชีวิตด้วยอาหารมานุษย์ยังโผชชังสัพเพจงได้โผลชำราญละพันตุมะมะเจตสติตามเจตนาของข้าเถิน